พระาจารย์ีได้เกิดในหมู่บ้านที่มีวัดตั้งอยู่บ้านทั้งสามคุมนี้มีหนองน้ำอยู่ตรงกลางสามหนองรนบริเวณรอบหมู่บ้านมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่ล้อมรอบนับเป็นสิบๆต้นทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีเนินไม้เก่าๆมีพระอุโบสถรางสองแห่งปรากฏว่าผีดุมากบางคราว ผมกลับมาพาคนไปอยู่ที่ศาลเจ้าสมเด็จดูรู้สึกว่าจะเป็นฝีมือของขอมเป็นผู้สร้างขึ้นนางเดิมของต้าจารีคือนายชาลีเป็นบุตรของนายเปานางพวยนารีวงศ์ู่ชื่อจันทารีย่าชื่อนางสิดาตาชื่อนางทศินยายชื่อนางดี มีพี่น้องเรว่มดิแดนมันดาเดียวกันรวมเก้าคนเป็นชายห้าคนเป็นหญิงสี่คนเมืเกิดมาได้9ก้าวันเกิดมีการรบกวลพ่อแม่เป็นการใหญ่เช่นร้องให้เสมอเสมอถึงกับโยมทั้งสองได้แตกจากกันไปหลายวันเมื่อโยงผู้หญิงออกไฟได้สามวันตัวเองเกิดโรคป่วยบนศีรษะไม่กินไม่นอนเป็นเวลาหลายวัน เรียนยากที่สุดพ่อกับแม่ไม่มีใครสามารถจะเรียนให้ถูกใจได้ต่อมาอายุได้สบเอ็ดปีมารดาถึงแต่กรรมยังมีน้องเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้เุ่นดูกันมาส่วนคนอื่นๆเขาโตแล้วกางก็พากันไปทำมาหา ก, กินยังเหลืออีกสองสามคนพ่อลูกพากันทำนาเป็นอาชีพพออายุได้ราสิบสองปี ได้เรียนหนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้สอบชั้นประถมก็ตกเส อ, อีกช่างมันแต่จะเรียนไปจนหมดเวลาพออายุสิบเจดปีจึงได้ออกจากโรงเรียนต่อจากนั้นมาก็คิดหาจะเงินกันเท่านั้นในระหว่างนี้เกิดมีการขับออกขัดใจกับโยมผู้ชายบ่อยๆคือโยมต้องการให้เราทำการค้าขายของที่เรามีชอบ ซื้อหมูมาขายซื้อวัวมาขายเป็นต้นถึงเวลาอยากจะไปทําบุญก็คอยขัดการงานก็คอยขัดคอเสมอบางทีต้องการไปทําบุญกับเขาก็หายอมให้ไปไม่กลับบอกให้ไปทําได้ทํานาเสียบางวันน้อยใจ น, นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวกลางทุ่งนารู้แต่ในใจว่าเราจะไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อน เคยมาบิดาได้ภรรยาใหม่คนหนึ่งชื่อมติตตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเมื่ออายุได้ส8ปดปีได้ออกเดินทางจากบ้านลงมาหาพี่ชายซึ่งมารับจ้างทำงานอยู่ที่ตลาดหนองแสงจังหวัดสระ บ, บุรีทราบว่าเขาทำ ง, งานได้เงินเดืนนเดนอนเพราะทางการชนประธานกำลังมีการก่อสร้างประตูน้ำพอเดินส็ก็ได้มาพักอยู่กับพี่ชาย พี่ชายก็ไม่พอใจเหตุที่จะไม่พอใจนั้นก็เพราได้บอกกับเขาว่าพี่ควรขึ้นไปบ้านบางสิทเขาก็ปฏิเสธไม่อยากจะไปโดยจึงหนีออกเดินทางลงมาที่ยสแสวงหาเงินเพราะเห็นว่าเงินเป็นของคู่กับชีวิตในระหว่างนี้กำลังตกอยู่ใไวัยหนุ่มชะกันแต่มีความรู้สึกว่าตนของตนเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอเช่นมีเพื่อนฝูง แนะนำขับจูงไปเที่ยวผู้หญิงก็ไม่สนใจเพราะเรื่องผู้โพเมเมีคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญไม่ใช่เรื่องของเดิกชีวิต ท, ที่ผ่านมาแล้วนั้นมีความรู้สึกนึกแต่ในใจอยู่ว่าถ้าเราอายุยังไม่ถึงสามสิบปีจักไม่ยอมแต่งงานข้อหนึ่งข้อสงถ้าเงินนม่ติดอยู่ในกำมือถึงห้ารอบาทเราจักไม่ยอมแต่งงานกับใครๆตั้งใจว่าเราคนเดียวมีความสามารถ และมีเงินที่จะเล้นดูเขาได้อย่างน้อยสามคนขึ้นไปเราจึงจะยอมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังมีข้อรังเกียจอยู่อีกข้อหนึ่งคือเวลาเป็นเด็กเริ่มรู้ดิ้มสาถ้าได้เห็นหญิงตั้งคันจนจะคลอดทงให้เกิความรู้สึกทั้งเกลียดทั้งกัวเกราะคนทางน้นเวลาจะคลอดบุตรนักเอาเชื่อกผูกบนคือมืจับสายเชือกห้อยแขวนทาการคลอด บางคนถึงกับร้องเอะอัโวยวายหน้าบิดคอเบี้ยวบางครั้งพระเอ์ไปเห็นเขา้าก็มามือปิดหูปิดตานอนมหลับเพราะความทั้งเกลียดทั้งกกัวเรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกติดตาติดใจมาตั้งแต่เด็กตอนน่อมาอายุผ่านเข้าสิบเก้าถึงยี่สิบปีไม่ระหว่ังนี้เพราะจะมีความในคิดในทางบุญและทางบาปแต่ก็ไม่มีนิสัยในการทำบาป ตั้งแต่เกิดมาจานอายุยี่สปีได้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายครั้งเดียวคือสุนัขเทียวที่ท่าสุนัขนั้นจำได้ว่าวันหนึ่งกำลังนั่นงกินข้าวอยู่แล้วเอาไข่ไมหมกไว้ในกล่องไปสุนัข ก, ก็มาค่าเอาไข่ไปกินเสียลกขึ้นได้ขวามายีสุนัขตายขาที่พอสุนัขตายก็น่กเสียใจว่าเราจะแก้บาปครั้งนี้ได้ ว, วิธีไหนจึงไี้ค้นหานันสกสืเก่า ทสังจคาถ า, ากรวดน้ำได้ก็มาไหว้กระสวดมนต์อุทิศสุขส่วนให้สุ น, นัขตัวนั้นใจก็ดีขึ้นแต่ในิสัยใจขอระหวังนั้นก็นึกอยู่ในใจว่าเราอยากประวดพอดีอยู่ครบยี่สปีกรงกับพศสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดโยมานดาเลี้ยงตายวันนั้นได้ไปอยู่กับญาติที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐม พอปลาเดวนกลุมพาพันก็ได้รับขึ้นไปบ้านโยงบิดาก็แนะนำให้บุดขณะนั้นมีเงินติดตัวอยู่ประมาณหนึ่งร้ยหกสิบบาทเมื่อไปถึงบ้านใหม่ๆพี่ชายพี่เขยพี่สาวก็พากันมากุ้มรุมเยื่อเยียนถามข่าวคร า, าวต่างๆแล้วขอกู้เงินยืมเงินไปซื้อควายบ้างซื้อนาบ้างค้าขายบ้างก็ยินยอมให้งินเข้าไปตามที่เขาต้องการ เขาตัวเองกิจะบวชตกลงเงินหนึ่ง้ยหกิบาทที่มีอยู่คงเหลือเพียงสี่สิบบาทถึงเวลาเทศการบวชนาคโยมปียาก็จัดแจงให้บวชจนสำเร็จได้ทําการบวชเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหมีเพื่อนๆบวชด้วยกันในวันนั้นรวมเ้าองค์ทุกวันนี้พวกที่บวชวันเดียวกันมรณะภาพไปบ้างลาสิกขาบ้างยังคงเหลือที่เป็นพระภิกษุอยู่เพียงสององค์คือเพื่อนหนึ่งกับตัวเอง เม่ดแล้วก็ได้เรียนสนมดม น, นและพระธรรมในไนแล้วตรวจดูภาวะของตนและทัพวิสูตรอื่นๆในสมัยนั้นเห็นว่าไม่ไหวแน่เพราะแทนที่จะปฏิบัติสมณกิจกับมั่วสุมแต่การสนุกมากกว่าเป็นต้นว่านั่งเล่นมักรุกกันบ้างเล่นหมวยปล้ม ก, กันบ้างเล่มดึงหัวมิขิตไฟกับผู้หญิงบ้างเล่นนกกันบ้างเล่นชนไข่กันบ้างบางทีถึงกับมีการฉันเข้าวเย็น พูดถึงเรื่องการฉันเข้าเย็นแม้แต่ตัวเองซึ่งรวมอยู่ในสังคมเช่นั้นในสมัยนั้นนึกได้ว่าเคยประพฤติรวมสามครั้งคือครั้งที่หนึ่งวันหนึ่งรู้สึกหิวได้คว้าเอาข้าวที่บูชาไว้บนหิ้งกรมาฉันเวลากลางคืนครั้งที่สองได้รับมงกุประเทศมหาชาติในงานบญมหาชาติจังหวั บ, บ้านโนนแดกตั้งบนภัยใหญ่อําเภอ ม, ม่วงสามสิ พอดีการเทศของตัวเองไปตรงกับเวลาเพลี่พอเทศจบ ก, ก็หมดเวลาฉันขณะเดินทางกลับวัดมีลูกศิษย์สายามใส่ข้าวสุก ข, ข้าวต้มัดและปลายา่างเมื่อเดินเท้ามาระหว่างทางประมาณสิบสานาฬิกาเศษ ร, รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหิวจึงเรียกใ้ลูกศิเอาของนย่ามมาดูปดใจไม่ไหวเปยนั่งลงฉันปลาย่างกับข้าวเหนียวที่ใต้ต้ม้แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้ว จึงได้เดินทางกลับวัดครั้งที่สามเข้าป่าไปทำงานรากไม้มาสร้างสาราการป ร, รินก็เพื่อกลางคืนเกิดความหิวจึงได้ฉันเข้าเย็นอีกครั้งหนึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำใจําพังคนเดียวเพื่อนฝูงเ็ทํากันมากแต่พากันปิดบังในระหว่างที่บวชอยู่ในระยะเวลานั้นที่รู้สึกเบื่อที่สุดคือการรับมงคลไปสวดมนต์คนตายเพราะรู้สึกรงกีดมาก ตั้งแต่เกิดมาจานอายุยี่สปีถ้าบ้านไหนเกิดมีคนตายจะไม่ยอมไปกินข้าวกินน้ำในบ้านนั้นแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านเดียวกันออกไปช่วยงานศพเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็คอยสังเกตดูว่าเขาจะกินน้ำกระบวยไหนกินข้าวกองไหนแล้วจดจำไว้แต่ไม่พูดแล้วตัวเองจะไม่ยอมกินข้าวกินน้ำร่วมพัชนะ ก, กับคนนั้นเมื่อหมดแล้วในใสายนี้ก็ยังติดอยู่ ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุสิบ้าปีป่าชาไม่คเคยเหยียบแม่ญาติหรือแม่จะตายก็ไม่ยอมไปเผาวอ น, นหนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้โวยวายในหมู่บ้านก็ทราบว่ามีคนตายพอดีเห็นคนเดินถือขันพร้อมดอกไม้ทุเทียนมานมิมนต์พระไปสวดพอคนมานมิมนต์เดินเข้าห้องสมภารตัวเองก็รีบหนีพระบท ใ, ใหม่ที่เป็นลูกน้องก็คอยติดตาม นี่ไปแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละแห่งเปีนขึ้นต้นมะม่วงค น, นละต้นแล้วต่างคนต่า ง, งเง่ยเงีบสักครู่หนึ่งพระอุปชาตามหาไม่พบได้ยินเสียงท่านเอ็ดจุู่บกุฏิยกตัวอ ย, อย่างหนึ่งคือลูกสุนเพออกพระอุปชาท่านชอบยิงโลกกระสุนไล่ขังข้งคาวตามต้นไม้ในที่สุดท่านก็ใช้สมนเนนค้นหาจนพบต่างคนต่างต้องลงจากต้น ม, ม่วง เป็นอยู่อย่างนี้จนตลอดเวลาสองพรรษาจึงมาตรวจค้นดูพระวินัยก็รู้สึกยุ่งยากลําบากใจเป็นอย่างนิ่มนึกแต่นในใจว่าเราต้องสึกถ้าไม่สึกเราต้องนี้พอรุ่งตีนพรรษาทีา่สรงจึงตั้งใจอธิษฐานว่าเวลานี้ข้าพเจ้ายังนุ่งดีหวังดีต่อพระศาสนาอยู่ในการต่อไปนี้ขอจงให้พบครูบาอาจารย์ ที่กระเดีปฏิบัติชอบภายในสามเดืนอนวานมาดูมพิศจิกายนข้างเรมในประเทศมหาชาติที่วัดบ้านโนนรามใหญ่ตงบนยางอยู่ภาพอังภูมุ่งสามสิบพอดีไปพบพระกรรมฐานองค์หนึน่งกำลังเทศอยู่บนธรรมาตรู้สึกเกิดแปลกประราดในจิตขึ้นโดยว่าหางของธรรมะน่าลืมใจ จึงไม่ได้ถามญาติโยวมว่าท่านองค์หนังเป็นใครมาจากไหได้รับตอบว่าเป็นศิษฐ์พระอาจารย์มัน่นชื่ออาจารย์บทท่านได้พักอยู่ในป่ายางใหญ่ใกล้บ้านราวยี่สิบเซนพ่อแม่มหาชาติสร็ก็ได้ติดตามไปดูได้เห็นปฏิปทาความประพฤติของท่านเป็นที่พอใจจึงถามท่านว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านตอบว่าพ ร, ระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสา เวลานี้ผู้จังมั่นได้ออกเดินทางจากจังหวัดสกลนครไปพักอยู่ที่วัดบุรภาจังหวัดอุบลรัตนานีพขาด้วยความขันันก็รดบเดินทางกลับบ้านมุกกันในใจว่าเราคงสมหวังแน่ๆอยู่ไม่ไม่กี่วันจึงได้ลาโยมผู้ชายลาพระอุปชาท่านทั้งสองนี้ก็พูดจาขัดขวางทุกด้านทุกมุมแต่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่า เราต้องไปจากบ้านนี้โดยเด็ขดขาดจะให้ศึกก็ต้องไปจะให้อยู่เป็นพระก็ต้องไปพระอุปชาระยมผู้ชายไม่มีสิทธิใดๆทั้งหมดถ้าขืนก้าวกาสิในตัวเราหน้าที่ใดต้องลุกหนีไปหน้าที่นั้นแล่วพูดกับโยมผู้ชายอย่างนี้ในที่สุดโยมผู้ชายและพระอุปชาก็ยมมอมเวลนอ้าวข้างแรมเวลาเยนแล้วประมาณสิบสามนาฬิกา ได้ออกเดินทางพร้อมด้วยบริการโดยลําพังองเดียวโยมผู้ชายได้ติดตามออกไปส่งถึงกลางทุ่ ง, า ง, งนาไม่ได้ร่ำรากันแล้วทางคนก็ต่างไปวันนั้นเดินทางผ่านอำเภอเมืองสามสิบพุ่งไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทราบข่าวว่าพระจันทร์มันพักอยู่ที่บ้านกุดราบตั้งบนกุฎราชอําเภอเมืองอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณสิบกิโลเมตรเท่าดีพระบริคุต เ่วงคยดำรงตำแหน่งในอำเภอม่วงส0มสิถูกปล ด, ดออกจากราชการขี่รุยนผ่านมาพบเรากำลังเดินทางอยู่คนเดียวท่านผู้นี้ได้มงมนขึ้นรถขนย้ายครอบครัวของท่านไปส่งถึงสนามบินจังหวัดอุบลทางไปบ้านกุดลาดบัด น, นี้ก็ยังระลึกถึงบุญคุณของท่านผุ้นี้อยู่ทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักกันเลยประมาณห้าโมงยนเดินทางถึงสานักวัดป่าบ้านกุดลาด แต่ได้ทราบว่าพระอาจารย์มั่นกลับมาพักอยู่วัดบรุรพาเรื่งเช้าไม่ชนอาหารแล้วได้เดินเท้ากลับมาจังหวัดอุบลได้ไปนมันสการกราบเรียนความประสงค์ของตนต่อพระอาจารย์มัน่นท่านก็ได้ช่วยแนะนําส่งเคราะเป็นที่พอใจสอนคําภาวนาให้ว่าพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวเท่านี้พอดีท่านกําลังอาภาพท่านได้แนะนําให้ไปพักอยู่ที่บ้านท่าวังหิน ซ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกดีที่นั้นมีพระอาจารย์สิงห์พระมหาปิ่นมีพระภิกษุสามเณรราวสี่สิะองค์พักอยู่เมื่อเข้าไปฟังธรรมเทศนาของท่านทุกคืนรู้สึกว่ามีผลเกิดขึ้นในใจสองอย่างคอือมื่นึกถึงเรื่องเก่าๆ ข, ของตนที่เป็นนากร้อนใจเมือม่อนึกถึงเรื่องใหม่ๆที่กาลังประสบอยู่ก็เย็นใจ ทั้งสองอารมณ์ติดต้นอยู่เสมอพอดีได้พบพื้นที่บังดีสององค์ได้ร่วมอยู่ร่วมชันร่วมศึกษาสนทนากันตลอดมาเพื่อสององค์นั้นคือพระอาจารคงมาและท้าอาจารสามด้วยภากเพียงพยายามภาวนาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ชวนพระอาจารคงมาออกเดินทางไปได้เลยไปพักตามสารเจ้าผีปูตา ของหมู่บ้านตะบนต่างๆแล้วได้เดินทางกลับไปถึงท่านเดิมเพ้่อบอกก่าวุสศนให้โยมผู้ชายทราบว่าได้พบพระจาย์มั่นเป็นที่พอใจในชีวิตแล้วอาตอมาจากักไม่กลับมาตายบ้านนีต่อไปคือได้นึกเป็นกติกในใจว่าเราเกิดมาเป็นคนต้องพยายามตายขึ้นอยู่บนหัวคนเราบวชเป็นพระต้องพยายามให้อยู่บนหัวพระที่เราเคย พบผ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าเกิดสมหวังในความคิดฉะนั้นจึงกลับบอกเล่าให้โยมฟังว่าฉันลาไม่กลับเงินทองเข้าของใช้ส่วนตัวมอบเสร็จสับฉศษเงินทองของโยมจกไม่เกี่ยวข้องตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยตัดสินใจว่าเราบวถแล้วจะไม่ยอมสึกแต่ก็นึกในใจว่าเราไม่ยอมจนในชีวิต โวงป้าได้สาบเรื่องก็มาพูดต่อว่าว่าท่านจะเกินไประกมังจนได้ตอบไปว่าถ้าฉันสุดมาถ้าฉันมาขอข้าวป้ากินขอให้ป้าเรียกฉันว่าสุนัข ก, ก็แล้วกันผู้โดยตัดสินใจดขาดแล้วเช่ห น, นีก็ได้สั่งกับโยมผู้ชายว่าโยมอย่าเป็นหงอตมาจะบวชอยู่ได้ก็ตามจะสึกออกมาก็ช่างอาอตมาพอใจแล้วที่ได้สมบัติจากโยม ได้ซับไม่เสร็จแล้วจากโยมคือตาสงข้างหูสองข้างจมูกปากครบอาการสสองจัดเป็นก้อนซับอย่างสำคัญนมืโยมจะให้ซับอย่างอื่นอาตมาก็ไม่อิ่มใจเมื่อได้สั่งโยมผู้ชายเสร็จแล้วก็ลายมผู้ชายเดินทางกลับจังหวัดระบนนั้นสถานีเดินทางไปถึงหมู่บ้านวังถำ้ำก็ได้พบอาจารย์มัน่นพักยูนปา ที่เข้าไปพักอาศัยอบรมอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายวันต่อจากนั้นก็ได้ตระหนักว่าเราต้องสรดยติใหม่ล้างบาปเก่าเสียทีไม่ได้หารือพระจันทร์มั่งแล้วท่านเห็นดีเห็นชอบด้วยจึงได้ทําการหัดขานนาคเมือเ่อติดที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ติดตามท่านไปเที่ยวในตาบลต่างๆได้รู้สึกมีความเลื่อมใสท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับความอัศจรรย์จากท่านหลายอย่าง อฏิท่นบางเรื่องคิดอยู่ในใจของเราไม่เคยแสดงให้ท่านทราบเลยท่านกับทักทายถูกต้องก็ยิ่งเพิ่มความเคารพตือนใสยิ่งขึ้นทุกทีการทําสมาธิก็หนักเน่นหมดความห่วงใยอะไรต่ออะไรไล้ลายอยากได้อบรมอยู่กับท่านเป็นเวลาสี่เดือนท่านกระนัดหมายให้เปสวยติใหม่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลมีพระปัญญาพิสารเถระหนู วัดสัปปทุมจังหวัดพระนครเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เพ็งวัดใต้จังหวัดอุบลเป็นกรรมว่าจาจานพระอาจารย์มัน่นเป็นผู้บรรญชาให้เป็นสามเณรได้อุปสมบทใหม่เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพศสองพันสี่ร้อยเจ็สิบอุปสมบทเสร็จแล้วหนึ่งวันก็ได้ถือธูปองอย่างเคร่งครัดคือฉันมือเดียวได้พักอยู่วัดบุรพาคืนเดียวก็ได้ออกไปอยู่ ปาบ้านท่าวังหินตามเคืนผู้พระจันมัน่นและพระปัญญาพิสารเถระได้เดินทางกลับจังหวัดพระนครเข้าจำมรนสาวัดสปัปปทุมท่านได้มอบหมายให้ไปอยู่กับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิน่นในระหว่างนี้ได้เดินทางที่ไปเวกไปในสถานที่ต่างๆพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิน่นก็ได้เที่ยวเทศนาอบรมเชินธรรมแก่ประชาชน โดยคำขอรองของพระยาตังเจ้าเมืองอุบลเมื่อจวนขปัรร่าได้ไปพักจมันสาอยู่วัดบ้านหัวงวัวอำเภอยโสธรประดีสมเด็จพระมหาวิระบงเจ้าคณะมณฑลได้รื้อตัวพระอาจารย์มหาปิน่นกลับจังหวัดอุบลตกลงจึงได้อยู่จรันส่าในตำบล น, นั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยกันสี่ห้าองค์เมื่อวันา น, นั้นได้ภาคเพียรทำสมาธิอย่างเข้มแข็งบางคราวก็นึกเสียใจอยู่บ้าง พอกระอาจารย์ผู้ใหญ่นี้ไปหมดคิดบางขนาดก็นึกอยากลาเพศแต่หากมักมีเหตุประเอิญให้สม น, นึกรู้ตัวอยู่เสมอวันหนึ่งเวลากลางวันประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาขณะเดินจงกรมคิดกำลังแข่งไปในทางโลกพอดีมีหญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาข้างๆวัดเธอได้ร้องรำเป็นเพลงขึ้นโดยภาษาว่ากูได้เล็งเห็นแล้วหัวใจนกขี้ผี ปากมันหักร้องถึกถือใจเลี้ยวใส่ปูก็ได้จำเพลงบทนี้มาวริกรรมเป็นนิดว่าเขาว่าใส่เราคือเราเป็นพระกำลังก่อสร้างความดีอยู่แต่ใจไม่ใส่ไปในอารมณ์ของโลกก็นักละอายใจตนเองเรื่อยมาว่าเราจะทำใจของเราให้อยู่กับภาวะของเราจึงจะไม่สมกับที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเชนนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่กลายมาเป็นธําไปหมด รูปอื่นๆยังมีอยู่อีกมากรู้ว่าเป็นคติดเดินใจครั้งหนึ่งในเวลากลางคืนเดือนงายได้ตกลงนัดหมายกับเพื่อนว่ า, าเราจะไปจงกรมกันอดนอนทําสมาธิกันในปัจจานั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยกันรวมห้าองค์สามในหนึ่งองค์เราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้อยู่เหนือพวกเหล่านี้ทุกองเช่นเพื่อนฉันข้าวได้สิบคำ เราจะต้องฉันเสมอแปดคำเพื่อนนั่งสมาธิได้สามชั่วโมงเราจะต้องนั่งได้ถึงห้าชั่วโมงเพื่อนเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเราจะต้องเดินได้สองชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างต้องนึกอย่างนี้แต่รู้สึกว่าทําได้อย่างลึกสิ่งนี้เป็นความรับในตนคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งได้พูดกับเพื่อนว่าเรามาทดลองกันดู ว, ว่าใครจะนั่งสมาธิและเดินจงกรมเป็นประกัน จึงได้พูดตกลงกับเพื่อนว่าเวลาผมเดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิเวลาผมนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมว่าใครจะอดทนได้นานมากกว่ากันถ้าเวลาที่เราเดิจงกรมท่านองนั้นได้เป็นเรื่องสมาธิอินิกุตใกล้ทันโดยจงกรมสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังโครงจึงได้เปิดประตูหน้าต่างชะโงกหน้าออกไปดูได้เห็นเคพื่อนองนั้น น, น, นอนงายขาชี้อยู่ สังเกตเหตุการณ์ว่าท่านคงนั่งสมาธิเพลิดแลวเกิดง่วงนอนเล่นงงายหลังหลับไปตัวเราเองก็ง่วงเต็มทีแต่ต้องอดทนให้ชนะเพื่อนให้ได้เมื่อเห็นอาการของเพือ่อนเป็นอย่างนี้แล่กคนิกละอายใจว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างคงแย่แต่ก็ดีใจว่าเราได้ชนะเขาเรื่องต่างๆที่ได้เล่ามานี้รู้สึกว่าเปกคติเตือนใจได้เสมอมาว่า คนที่ทำปาไรไม่จริงต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้พะ อ, ออกภาษาแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักอยู่ตามป่าชา้าโดยลำพังองค์เดียวในภาษานี้รู้สึกตัวว่าทำจิตทำสมาธิได้ดีมากจิตสงบอย่างละเอียดประณีตมีสิ่งแป่ประาดเกิขึ้นในใจอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การกนคือมีจิสงบได้ดีแล้วมีอะไรๆผุดขึ้นต่งางๆภาษาบาลี ซึ่งไม่เคยแปลออกก็แปลได้เช่นบทสวดมนต์พุทธคุณหรือเจตจำนานที่สวดมาก็นึกแผลได้เป็นส่วนมากพระอภิธรรมเจดกมียอ่อที่เคยสวดมาแต่การก่อนแผลได้เกือบหมดรู้สึกว่ามีการแตกฉานขึ้นพอสมควรในเรื่องธรรมอยากรู้อะไรทำใจนิงน่งๆก็รู้ไม่ต้องใช้ความนิจเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จึงได้นำเรื่องไปเล่าถวายพระอาจารย์คงมา ก็ชี้แจงว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนถึงเรื่องการตแต่งตือเทศพระองค์ท่านได้ปฏิบัติรู้ในใจก่อนแล้วจึงได้บัญญัติไว้เป็นปฏิจิธรรมฉะนั้นการรู้ของเราเป็นการไม่ผิดเมื่ด้ทราบอย่างนี้ก็มีจิตอิ่มเบิกพื้นไถ่เป็นอย่างนิ่งต่อมาเมื่อออกพรรษาแล้วก็คิดถึงยมพุทธชายเพรเห็นว่า ยังติดติดอะไรายมากนึกจะไปโปรดโยมกินได้ออกเดินทางไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่กว่าบ้านโนนแดงไปพักอยู่ใกล้ศาลเจ้าโดนโปตาได้พักอยู่คนเดียวในป่านั้นญาตในหมู่บ้านนั้นทราบเรื่องจึงได้ส่งข่าวไปถึงโยมผู้ชายรุ่งขึ้นข่าวโยมผู้ชายเดินทางมหาแถดไปมหานาถวายอย่งางดีตามภาษาบ้านนอกแต่ก็ไม่ได้ฉันจะลองศรัทธาให้โยม เป็นที่น่าเสียใจมากเพราะขณะนั้นกําลังตื่เคร่งในภวินัยและเป็นสิ่งโกรธเคร่งด้วยคือไมยอมฉนอาหารที่เป็นอุทิบศบังสะคือการฆ่าสัตว์เพื่อให้เฉพาะบุคคลเมื่อหลังมาในครังสารโยมผู้ชายแทบน้ำตาไหลเมื่อยมผู้ชายเห็นบุตรที่บวชไม่ยอมฉนอาหารแล้วก็ได้ยกไปกินเองเสร็จแล้วได้ติดตามโยมมาพักิธิป่าช้าของบ้านเกิดเมืองนอน แล้วได้ไปพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านคือกันว่าผีดุได้ไปพักอยู่เป็นเวลาหลายวันมีญาติโยมหลายหมู่บ้านพากันเดินทางมาฝั่งเทศได้ทําการปราบเรื่องการเชื่อถือผิดของชาวบ้านเหล่านั้นเช่นดาบพวกถือผีปอกผี่กระสือปีไทยผีแทนมนกนที่เป็นเดราาัฉาวิชาต่ตางๆได้ทําการชาระหลางส น, นิกใจของพี่น้องญาติโยมให้หมดไปซึ่ง ผีปูตาในดงงูบ้านเก่าและที่พักอยู่นั้นด้วยได้ทําการสวดมนแผ่เมตตากําจัดปัดเต่าจนเส้นเชิงเวลากลางวันได้ทําการเผาเครื่องเส้นสวงผีเต้นผีดําผีมดผีหมอมากมายบางวันมีแต่ควันเผาเครื่องเส้นทั้งวันแล้วอบรมญาติโยมให้รับนับถือพระไตรสารณาคมให้ส่วนมนต์ภาวนาทางทาง่า ไม่ให้ยุ่งเรื่องพูดผีพิศารเ่อ น, นึกถึงภาพเก่าๆที่เคยผ่านมารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์จึงได้ช่วยชิดแก้ไขคือเรื่องที่ญาติโจมเชื่อกันว่าผีปูตาต้องจินหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกปีดังนั้นพอถึงฤดูการว่านผีปูตาชาวบ้านต้องเอาไก่เป็ดหรือหมูมาบ้านละหนึ่งตัวคำนวณแล้วทรัพ์มีชีวิตต้องถูกฆ่าเพื่อการเส้นสูในปีนหนึ่ง นับเป็นร้อยตัวเพราะบางขาวเกี่การเจ็บป่วยก็ต้องเส้นตามที่ปลบานไว้พิจารณาเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรในการที่ทําดังนั้นเรื่องผีถ้ามีจริงต้องเป็นผู้มีกินของเส้นอย่างนี้ให้รับส่วนแบ่งกุศลดีกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องบังคับให้หนีโดยเด็ดขาดต้องใช้อํานาจอาชญาทําธรรมเข้าช่วยจึงได้สั่งเผาสารผี่ปูตาจนหมดสิน้น ชาวบ้านบางคนเสกขวัญกลัวจะไม่เกิดความปลอดภัยในอนาคตจึงได้เขียนคำสดมนไผ่นไม่ตายทุกคนแล้วก็สั่งรับรองว่าไม่เป็นไรในครั้งต่อมาได้ทราบว่าสถานที่นี้กลายเป็นเลือกสูนได้นาไปหมดดงที่ผีเคยดุกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นหมู่นึ่ได้พักอบรมญาติโยมอยู่เป็นเวลาพอสมควรการบันฟปฏิบัติก็อื้อเาด่งดังขึ้น เกิดมีคนอิจชาลิศยาพยายามหาวิธีขับไล่สายสงด้วยวิธีการต่างๆเมื่อวันหนึ่งเขาได้มีมนพระผู้ใหญ่มาเทศสามธรรมาทเราเป็นองค์ที่สี่จึงได้ตกลงรับนิมนไปเทศพระผู้ใหญ่ที่ได้รับมิมนไปเทศคือพระครูวัจีสุนทนเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิพระอุปชาลุยเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญอาจารย์บอ มีความรู้ทางบาลีเลกตัวเองรวมเป็นสี่องค์นึกในใจว่าพรุ่งนี้ต้องฟันให้ถึงขนาดใครจะมาท่าไหนไม่นึกว่าเสียวใดๆทั้งหมดมีคนมาฟังมากมายสรุปแล้วการเทศได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรขัดเข้ากันก็มาอีกครั้งหนึ่งยังมีพระบางรูปคนบางคนเห็นว่าเราเป็นคนอวดดี จึงหาเรื่องค อ, อยุแย่พระอื่นให้เข้าใจผิดวันหนึ่งนายชัยเป็นผู้แทนชาวบ้านตำบลยางโยภาพแต่ไปฟ้องถึงอำเภอเมื่อเราเป็นพรชบจรจับชัก็รู้สึกยิ่นเข้มแข็งยิ่งกล้าว่าจะมาไล่กันท่าไหนการที่เรามานี้ไม่ได้มาสร้างความชั่วเป็นอะไรก็เป็นกันต้องสู้กันด้วยวาทะให้ถึงที่สุดคนที่สุดศึกษาที่ทางอำเภอ ก็มีมีอำนาจจะมาขับไล่เราจากหมู่บ้านนี้ไม่บอกเขาไปว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าขืนมีอีกเราจะอยู่จนหมดเรื่องถ้าเรื่องยังไม่หมดยังไม่หนีวันหนึ่งแอมเพอได้ออกไปตัวราชการได้ไปพักอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นญาติเราจรึงได้เรียนเรื่องราวให้แอมเพอทราบแอมเพอตอบว่าพรรคที่มาอบรมสั่งสอนญาติโยมอย่างนี้หาได้ที่ไหนฉะนั้น ให้ท่านอยู่ไปตามสบายตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเป็นอันว่าสงบเรียบร้อยดีต่อมาก็ได้ลาญาติโยมเดินทางต่อไปยังอำเภอยะโสธโรพอดีได้พบปะการา่งกับพระภิกษุสามเณรรวมกันถึงแ0ดสิบรูปพักอยู่ที่ป่าช้าอำเภอยะโสธโรซึ่งวันนี้ก็เป็นเดือนจำ เพราจากนั้นพนระพิสารสารคุณเจ้าคณะจังหวัดกอนแก่นวัดพีจันทร์ได้มีจดหมายมาในมลกัาจารย์สิงชาวอำเภอยะสโสธรมีอาจารย์ดินอาจารย์แดงอาจารย์โอนตาเป็นหัวหน้ารอ้อมทิชาวบ้านย่านตลาดได้จ้างเหมารถยนต์ให้สองคันได้พากันออกเดินทางจากอำเภอยะสโสธรโดยทางรถจนไปพักแรมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งคืนแล้วออกเดินทางไปพักอยู่ ที่จังหวัดมหาสา ร, รคามที่ตะนปูตาที่ชาวบ้านพา ก, กันเส้นสูงว่าผีดุมีชาวบ้านร้านตลาดเอคาราชการมาฟังเทศกันมากมายพระอาจารย์ได้พบกันคั้งแรกก็ได้ไปด้วยกันดูพิจารณาเห็นว่าที่นั่นไม่ใคยจะสงบจึงได้ลาพระถ า, าสิงไปเยี่ยมญาติให้สามเณรติดตามไปด้วยหนึ่งองค์เม้เดินทางไปถึงบ้านญาติที่อำเภอลำพองคือขุนมหาวิจัย พี่ชายของแม่เป็นญาติของแม่ฝ่ายพี่ได้พมเพื่อญาติที่นั่นหลายครอบครัวพอพวกญาติเห็นหลานไปถึงตางคนต่างดีอกดีใจมาเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวถึงบ้านเกิดเมืองนอนพวกญาติได้จัดที่พักให้ในริมฝั่งน้ําพองในป่ายางใหญ่ได้พักอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายวันสามณีที่ไปด้วยเวลากลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสกลนคร ตัเองก็พักอยู่แต่เพียงคนเดียวป่านี้ม่แต่ลิงแต่ข้างมากมายหนึงมาวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่สบายมีอาการปวดศีรษะเจ็บแก้วหูก็ได้บอกเล่าให้โยมป้าฟังคือป้าแม่เงินโยมป้าได้แนะนำฝากับหลานเคยซึ่งอยู่ที่อำเภอพลรับราชการกรมตำรวจหลานเคยได้นำมาส่งฝากขนรถให้ ได้อาศัยเขามาถึงจังหวัดพนัคอนลาดฤสีมาไปพักอยู่ที่วัดสแกในระหว่างนั้นได้เที่ยวเดินตามหาญาเป็นเวลาสามวันแต่ไม่พบการที่ต้องการพบปะญาตนครั้งนี้เหตุเรยากจะเดินทางไปจังหวัดพนัคอนเพื่อรับสาวตัวและไปหาพระอาจารย์มันอยู่มาวันหนึ่งคนล่าโรเจตได้นำไปส่งถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมทางจึงได้พบกับพี่สาวที่แม่วันดี ซึ่งเป็นภรรยาขุนกายทุกคนได้แสดงความดีอกดีใจในการที่ได้พบหลานและได้นิมนต์ให้อยู่จำงรรัสาที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ตนเองไม่ยอมอยู่บอกเขาว่าประสงค์จะไปรักษาตัวที่จังหวัดะระนคตพี่เราจึงได้จัดแจงซือตัวรถไฟส่งถึงสถานีโรุระพง